บุกทูยี่สิบห้าในเมืองว่าเมสตูดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟรัดบิเช e ์นาเจลิสนิชกาโสตายารัดบิชลา ดิฉันต้องการไปที่สนามบินรับชว์ตลชรบ l ชลาตลชดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมืองรับชซเมตรบซนอร์มต ดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะ Caco f r e d o m Neralisnis c o o s t a y o ดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ Caco f r e d o m n e r a l i s c e ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะ Caco f r e d e m v Center m i s t e ดิฉันต้องการแท็กซี่ดิฉันต้องการแผนที่เมืองดิฉันต้องการโรงแรม potrebu hotel ดิฉันต้องการเช่ารถยนต์รถ b n นยิว u t ตโต้ราา่าียาิลาอัตนี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะทูยโ ม, มยเครดิตนะคาินี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะทูเคยเยโมยวอส k o do vol ยยมม ในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะ Kai seda videti v e m e si, s, m <S t k, si, <S no u คุณไปเมืองเก่าสิคะ Poidite vstari del mestu คุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะ Poidite na Kroznovojno pomestu คุณไปที่ท่าเรือสิคะไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะยังมีที่เที่ยวที่อื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะ